ตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากพวกเราไปพระองค์ได้ทรงตัดทรงประทานพระประชิมโมวาทคือคำสอนคำสั่งครั้งสุดท้ายไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วดับไปเป็นธรรมดายงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่คือคำพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าทรงเป็นห่วงพวกเราที่ไม่รู้ ว่าควรจะทำอะไรก่อนควรจะทำอะไรหลังอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญจึงต้องย้ำให้พวกเราทำประโยชน์ของตนก่อนก่อนที่จะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทคือให้ทำเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าไปรอวันพรุ่งนี้ เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นอนว่าเราจะมีเวลาหรือไม่เราจะอยู่หรือไม่พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้แต่วันนี้เรารู้กันว่าเรายังอยู่เราควรที่จะมาทำประโยชน์ของเราก่อนก่อนที่ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป ทตามตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาพระองค์ทรงกระทาประโยชน์ของพระองค์เองก่อนโดยการสละราชสมบัติแล้วก็ออกไปบวชไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนตัดสรรุเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทรงบรรลุถึงพระนิพพานแดนอันกเกษมสันแดนที่มีแต่ความสุขแดนที่ไม่มีความทุกข์หลังจากนั้นพระองค์ก็มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการ <c oughs> สั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เพื่อจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทรงกระทาภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดอยู่ประมาณสี่สิบห้าปีด้วยกันตอนบ่ายทรงสั่งสอนประชาชนศรัทธาญาติโยมตอนค่ำสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกสั่งสอนเทวดา ตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาททรงเร็งยานว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือภารกิจที่เรียกว่าพุทธกิจห้าที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ทุกวันยกเว้นวันที่อาพาธ ถ้าไม่อพาสาก็จะปฏิบัติภารกิจทั้งห้าประการนี้ทุกวันเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพราะประโยชน์ของพระ อ, องค์นั้นได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปดังที่ได้ทรงเป่งวาจาไว้หลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าวา่าเกตในพรหมจารนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว เกิดอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วที่จะต้องทำให้กับตนเองทีนี้ก็มีเหลือเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็นำเอาไปทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาและสั่งสอนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจำนวนมากและสั่งสอนให้สืบทอดพระศาสนานี้ให้มีอายุยืนยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุยาวถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็จะยืนยาวนานต่อไปเรื่อยๆ ถ้ามีการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในพระปัจ ช, ชิมโมวาทคือให้ยังประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยไปยังประโยชน์ของผู้อื่นขั้นต้นเราต้องมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเพื่อเราจะได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราก็ไปสอนผู้อื่นต่อไปไปเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธศาสนาส่งสอนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ให้รู้เพื่อที่จะได้นําเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็จะได้ทําหน้าที่ต่อ คือนำเอาความรู้ที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อีกทอดหนึง่งนี่คือการเจริญการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาตัวของศาสนาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การบรรลุหลุดพ้นจากกองทุกข ของผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้แหละคือศาสนาไม่ใช่วัดวาอารามกุติศาลาเจดีโบสถสาวทาวและวัตถุเหล่านี้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของพระพุทธศาสนาของผู้ที่ศึกษาของผู้ที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่บรรลุธรรม ของผู้ที่เผยแผ่ธรรมเท่านั้นเองถึงแม้จะไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีไม่มีกุติไม่มีศาลาศาสนาก็ยังอยู่ได้ถ้ามีการศึกษาพระธรรมคําสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนมีการบรรลุ ธ, ธรรมและมีการนําเอาธรรมที่ได้บรรลุ น, นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น นี่แหละคือศาสนาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามอยู่ที่ท้าวลวัตถุต่างๆในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงตัดสู้ก็ไม่มีถาวลวัตถุต่างๆทรงบำเพ็ญในป่าในเขาทรงตัดสู้ภายใต้โคนต้นโพอยู่ที่ต้นโคนต้นไม้ ไม่ได้อยู่ในโบสถ์ในเจดีย์อยู่ในกุฏิในวิหารสมัยนั้นไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีวัดวาอารามและยุคแรกๆที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาก็ไม่มีวัดวาอารามไม่มีถาวรวัตถุทรงสั่งสอนให้นักบวชพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาให้อยู่ตามโคนไม้ รุปขมูลละเสนาสนังนี่แหละคือวัดของของพระพุทธศาสนาอันแท้จริงวัดดั้งเดิมก็คือป่าเขานี้เองเพราะเป็นสถานที่เหมาะต่อการบำเพ็ญต่อการเจริญศีลสมาธิปัญญาต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่อยู่ตาม บ้านตามเมืองอยู่ตามโบสถ์ตามเจดีย์ตามศาลาตามกุฏิแต่อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะคอยรบกวนใจไม่ให้สงบที่จะเมื่อย่อยุ่ยแย่ให้เกิดกิเลส ต, ตัณหาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่เคยสนทะไทยในเรื่องของการสร้างวัดวาอาราม ไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวพระองค์ทรงมุ่งไปสู่การสร้างพระแล้วก็ไม่ใช่พระอย่างที่เราสร้างกันในสมัยนี้เรามุ่งไปสร้างพระพุทธรูปกันแต่พระพุทธเจ้าทรางมุ่งไปสร้างพระอริยะเจ้ากันสร้างพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามี พระอารหันต์กันในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอริยะเจ้าเดินชนกันแบบเหมือนเวลาที่เราไปซื้อของในตลาดเลยเดินไปทางซ้ายก็ชนกับพระโสดาบันเดินไปทางขวาก็ชนกับพระสกิดาคามีเดินไปข้างหน้าก็ชนกับพระอนาคามีเดินไปข้างหลังก็ไปชนกับพระอารหรันต์ เต็มไปหมดพระ อ, อริยเจ้าในสมัยพุทธกาลเพราะมีการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดทําประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียวไม่สนใจที่จะไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่สนใจที่จะไปสร้างวัดวาอารามไปสร้างกุฏิสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูป สร้างถาวรวัตถุอะไรต่างๆทรงมุ่งไปในการสร้างพระอริยเจ้าในใจของแต่ละคนจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์กันตามลําดับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทรงเป็นพระอาจารย์เป็นพระศาสดานี่แหละเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนา เป็นยุคที่มีพระ อ, อริยบุคคลมากที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สอนผู้นําจะทรงเน้นอยู่ในการสร้างพระ อ, อริยกันไม่ทรงไปทำการสร้างโบสถ์เจดีย์สร้างวัดวาอารามต่างๆอันนี้พระ อ, องค์ทรงปล่อยให้เป็นไปตามกาลังศรัท ธ, ธาของผู้ที่ มีกำลังที่จะสร้างซึ่งในยุคนั้นก็จะมักจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมเช่นพระราชามหากษัตย์เศรษฐีที่มีกำลังทรัพย์ที่จะสามารถสร้างวัดวาอารามให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าได้อยู่ได้แต่จะมีวัดวาอารามหรือไม่พระในสมัยพุทธกาลนี้ ไม่ได้วิตกไม่ได้กังวลเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ให้อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามเรือนร้างเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่เหมาะต่อการสร้างพระอริยเจ้านั่นเองถ้าเป็นเนื้อนาบุญเป็นดินก็ เป็นดินที่เหมาะต่อการปลูกพระอริยะเจ้าเพราะว่าจะทําให้เกิดพระอริยเจ้าขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอจึงไม่มีความสนพระไทยที่จะสร้างวัดกันใครมาบวชพระองค์ก็ทรงตรัสสอนว่าไปอยู่ที่เขาลูกนั้นไปอยู่ในป่านั้นอไปอยู่ที่ถ้านั้นนะเออ ไปหาที่สงบปีกวิเวกไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลสมาธิปัญญาจะเป็นเครื่องมือทําลายกิเลสตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองแต่หลังจากที่พระอริยบุคคลเหล่านี้ ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วท่านก็มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระศาสนาอีกทอดหนึ่งจึงทําให้พระพุทธศาสนานี้เจริญออกไปอย่างกว้างกว้างไกลและเจริญมาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ความเจริญของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่วัดวาราม อยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆแต่อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอยู่ที่บรรุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและอยู่ที่การเผยแผ่ธรรมที่ได้บรรลุนี้แล้วให้แก่ผู้อีกทอดหนึ่งนี่แหละคือศาสนาของพวกเราตัวศาสนาของพวกเรา เพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปวิจกถ้าใครมาทําลายวัดวาอารามใครมาทําลายพระพุทธรูปทําลายโบสถ์ทลายเจดีย์อันนั้นไม่ใช่ตัวพระาศาสนาเป็นเพียงเปลือกหรือเป็นที่อาศัยของผู้บำเพ็ญผู้เผยแผ่พระาศาสนาเท่านั้นถึงแม้จะไม่มีโบสถ์เจดีย์ไม่มีวัดวาอาราม ถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ธ, ธรรมมีการแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงประเด็นกันพวกเรามักจะชอบไปทำประโยชน์ของผู้อื่นก่อนเช่นประโยชน์ของศาสนาพยายามหาเงินหาทองกัน มาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรกันโดยที่ไม่สนใจที่จะมาสร้างพระในใจของตนเองนี่ควรจะเน้นการสร้างพระในตนเองก่อนเมื่อสร้างสำเร็จแล้วทีนี้ค่อยไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไปสร้างวัดวาอาาเพราะว่า จะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพราเราได้สร้างพระอริยเจ้าสร้างพระในใจของเราได้สำเร็จแล้วถ้าเรายังไม่สร้างพระในใจเราเราไป ม, มัวแต่สร้างพระภายนอกไปสร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรต่างๆเราก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเราก็ยังจะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ยังไม่ได้บรรลุถึงพนานิพานแล้วพอถึงเวลาตายไปเราก็จะไม่ได้อะไรไปกับเราเลยแต่ถ้าเรามาทำประโยชน์ของเราก่อนสร้างพระในใจของเราก่อนสร้างใจของเราให้เป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาก่อนแล้วต่อไปเราจะไปสร้างวัดวาอารามสร้างถาวัาลวัตุต่างๆได้หรือไม่ ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสร้างไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวลาตายไปเราก็เอาถาวรและวัตถุเหล่านี้ไปกับเราไม่ได้เด็ดดีแต่สิ่งที่เราเอาไปได้กับเราก็คือพระในใจของเรานี่เองพระอารหันต์ที่อยู่ในใจของเราเราจะเอาอันนี้ไปได้เราจะได้พระอารหันต์ในใจนี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่ หลบภัยของการเกิดแก่เจ็บตายภัยของการเวียนว่ายตายเกิดพาาาระอรหันต์จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วนั่นเองเมื่อไม่เกิดก็ย่อมไม่มีการแก่การเจ็บการตายนี่คือประโยชน์ของตนเป็นประโยชน์แรกที่เราจะต้องทำกันอย่าไปให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้อื่น นอกจากตอนที่เราสละทรัพย์สมบัติเพื่อออกบวชนะตอนนั้นเราก็ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นใ น, ใ น, ใ, นในระดับหนึ่งคือเวล า, าออกบวชนี้เราก็จะไม่ต้องการเอาทรัพย์สมบัติติดตัวไปเราก็สละสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่นี้ให้แก่ผู้อื่นไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละราชสมบัติเนี่ย แต่นี้ไม่ได้เป็นการสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่เป็นการสละเพื่อประโยชน์ของตนเพราะเมื่อไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วเราจะได้ไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทวงเครื่องดึงใจของเราไม่ให้ไปบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั่นเองถ้าเรายังยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยึดติดกับบุคคลต่างๆ ยึดติดกับความสุขจากข้าวของเงินทองและบุคคลต่างๆเราก็จะไม่สามารถออกบําเพ็ญได้ไม่สามารถออกไปบวชไปเจริญศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะไม่ได้ทําประโยชน์ของตนเราก็เลยมัวมาทําประโยชน์ของผู้อื่นมาเลี้ยงดูผู้อื่นมาช่วยเหลือผู้อื่น แต่ไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมาช่วยเหลือตนเองให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแต่พอเราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาดูแลรักษาไม่มีอะไรที่จะต้องเอามาใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะได้มีเวลามา ทำประโยชน์ให้กับตัวเราได้อย่างเต็มที่ mm hmm. พอสละทรัพย์สมบัติแล้วเราก็จะออกบวชได้ mm hmm. พอบวชแล้วทีนี้เราก็จะมีเวลาทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราสามารถมาบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้ mm hmm. แล้วถ้าเราบาเพ็ญตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ mm hmm. พระองค์ก็ทรงรับประกันไว้เลยว่า จะสามารถหลุดพ้นได้ภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้นได้อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์ที่ดีกว่าประโยชน์ที่เราทํากันในตอนนี้ประโยชน์ที่เราทํากันในตอนนี้มันเป็นประโยชน์ทางร่างกายเสียส่วนใหญ่เช่น เรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของอยารักษาโรคเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเราก็สามารถช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากให้มีปัจจัยสี่หรือถ้าช่วยเหลือวัดก็ใส่บาตรพระถวายพ้ายีวรภ้ากระกถินสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังเป็นประโยชน์ทางร่างกายเท่านั้นผู้ที่ได้รับ การช่วยเหลือจากพวกเราด้วยปัจจัยสี่เหล่านี้ก็ยังต้องติดอยู่กับ ก, บการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดียังต้องทุกข ก, กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีเพราะว่าปัจจัยสี่นี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาถึงจะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดังนั้นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่เรายังไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองนั้นก็เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ไม่มีผลกระทบมากมายต่อชีวิตจิตใจของผู้อื่นเท่าไหร่นักเพราะหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับการทำประโยชน์ของตนให้สำเร็จ แล้วนำเอาความสำเร็จของตอนนี้ไปสั่งสอนผู้อื่นให้เขาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะเขาจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือความสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องมาทำประโยชน์ของเราก่อนก่อนที่เราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แต่พวกเรากลับไปเห็นความสำคัญของประโยชน์ของทางร่างกายมากกว่าเห็นความสำคัญของประโยชน์ของจิตใจเพราะเราไม่เคยสัมผัสกับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติเพื่อจิตใจว่ามันมหาศาลขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนมันดีขนาดไหนเราก็เลย ไม่ค่อยสนใจที่จะทำประโยชน์ทางด้านจิตใจกันกลับมาสนใจกับการทำประโยชน์ทางร่างกายกันช่วยกันเลี้ยงดูกันไปก็ได้ประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นเองได้อยู่ในชาตินี้อยู่ดีกินดีในชาตินี้แต่ก็ต้องตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ดีกินดีเหมือนกับชาตินี้หรือไม่ นี่เป็นการช่วยเหลือมีนีเป็นการกระทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ถูกต้องประโยชน์ที่ถูกต้องต้องเป็นประโยชน์ทางจิตใจต้องสั่งสอนให้เขาได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เท่านั้นถึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่า กว่าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองต่อให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นพระราชามาหากษัตริย์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีก็ยังมีกองทุกกองเท่าภูเขาอยู่หัวอยู่ในหัวใจอยู่นั่นเองกองทุกกองเท่าภูเขาที่มีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนี้มันไม่ มันไมส่สูญสลายไปเพราะความร่ำความร่ำรวยมันไม่ได้สูญสลายเพราะความใหญ่โตของฐานะแต่มันสูญสลายไปด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราจำเป็นจะต้องมาบำเพ็ญกันเองเพราะไม่มีใครจะมาบำเพ็ญให้กับเราได้ไม่มีใครสามารถรักษาศีลให้กับเราได้ ไม่มีใครสามารถที่จะมาทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิได้ไม่มีใครสามารถจเจริญปัญญาให้กับเราได้เราเท่านั้นที่จะต้องจเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะสามารถทำลายกองทุกกองเท่าภูเขาที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดไปได้ โดยที่เราไม่ต้องมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเลยไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตเลยแต่กับได้ความสุขยิ่งใหญ่กว่าความสุขของมหาเศรษฐียิ่งใหญ่กว่าความสุขของพระราชามหากตรัตประธานาธิบดีรัฐมนตรีทั้งหลายสู้ความสุขที่ได้จากการเจริญสีนสมาธิปัญญาไม่ได้ พระสนสมาที่ปัญญาจะทำลายความทุกข์กองเท่าภูเขาที่มีอยู่ในใจของพวกเรลานี้ให้หายไปหมดให้เหลือแต่ความสุขที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติป ร, รังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ จิตจะสงบได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้กล่อมเป็นผู้ขัดเกลว์เป็นผู้นำเข้าสู่ความสงบนั่นเองเราดึงควรที่มาทบทวนการกระทำของเราเสียใหม่ว่าตอนนี้เราทำตามคำสอนหรือเรากำลังทำขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้า เรากำลังยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนหรือว่าเรากำลังยังประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมก่อนที่จะมายังประโยชน์ของเราถ้าเรามัวแต่ยังประโยชน์ของผู้อื่นนี้เราจะไม่มีวันทำได้สำเร็จเพราะว่ามีผู้อื่นรอเรารอรับการช่วยเหลือของเราอยู่มากมาย เราให้ช่วยเหลือไปจนวันตายก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ถ้าเราโมแต่ไปช่วยเหลือผู้อื่นจนลืมหน้าที่ของเราลืมช่วยเหลือตัวเราเองเราจะไม่มีเวลาที่จะมาช่วยเหลือตัวเราเลยเราก็จะช่วยเหลือผู้อื่นไปจนวันตายอย่างเศรษฐีโลกอันดับหนึ่ง ของโลกที่ใช้เป็นชาวต่างประเทศตอนนี้เขาก็มาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเพราะเขามีเงินทองมากมายจนเขากินไม่หมดใช้ไม่หมดเขาก็เลยมาช่วยเหลือผู้อื่นเอาเงินทองของเขานี้มาช่วยเหลือคนยากคนจนตามประเทศต่าง นี่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีพระพุทธศาสนาในใจเขาเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นตัวอย่างอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์ของพ่อองค์ก่อนเราจึงค่อยไปบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้นิทอดหนึ่งเขาก็เลยจะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เขา มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับกลายเป็นทาสของขทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเป็นคนรับใช้คือจะต้องมาใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเลยไม่มีเวลาที่จะมาบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เขาก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอีกหลังจากที่เขาตายไปแล้วอาจจะ ก, กลับมาร่ำรวยกว่าคราวนี้ก็ได้เพราะเขาก็ทำประโยชน์อย่างมหาศาลแต่จะร่ำรวยขนาดไหนก็ยังมีกองทุกข์เท่าภูเขาอยู่ภายในใจอยู่ดีนั่นเองเพราะกองทุกข์เท่าภูเขานี้มันจะไม่หมดไปด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น มันก็อาจจะทำให้มีความสุขบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ยังเป็นโชคของพวกเราเพราะว่าเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับ ตัวเราและกับผู้อื่นเพียงแต่ว่าเราจะต้องกลับมาทําประโยชน์ของเราก่อนเท่านั้นเองเพราะว่าเมื่อเราทําประโยชน์ของเราได้แล้วเราก็จะสามารถไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเป็นประโยชน์ที่มีความหมายมีน้ําหนักเพราะจะทําให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการสั่งสอนของพวกเรานี้ ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันนั่นเองดังนั้นเราต้องมาทบทวนดูว่าเรากำลังไปในทิศทางไหนเรากำลังทำอะไรก่อนทาอะไรหลังเรากำลังทำกลับตาลปัดหรือเปล่าคือกลับตาลปัดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเรามาคอยทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเรายังไม่มาทำประโยชน์ให้กับตัวเรา ในที่นี้เราอาจจะมองว่าร่างกายนี้เป็นผู้อื่นก็ได้ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่แท้จริงก็คือใจเราต้องมาทำประโยชน์ของใจอย่าไปทำประโยชน์ของร่างกายถ้าเราไปมัวหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างอิ่มหนำสำราญให้อยู่อย่างอิ่มมนีพีมันให้มีความสุขจากการ ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆอันนี้ก็เหมือนกับการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคือทำประโยชน์ให้กับร่างกายทำประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาที่จะมาเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเราต้องมาทำประโยชน์ให้กับใจด้วยการทำลายกิเลสตัณหาไม่ใช่ไปรับใช้ไปทำประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหา ทำอะไรตามความอยากต่างๆอันนี้จะมองเรื่องของประโยชน์ของตนและของผู้อื่นในรูปแบบของร่างกายกับใจก็ได้ใจนี้เป็นเราแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้เป็นเหมือนผู้อื่นใจนี้เป็นตัวเราเราต้องมาทําประโยชน์ให้กับใจ อย่าไปทำประโยชน์ให้กับร่างกายมากจนเกินไปร่างประโยชน์ของร่างกายก็ทำพอให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาทำประโยชน์ให้กับใจ อ, อีกทอดหนึ่งเพราะเรายัางต้องอาศัยร่างกายในการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมได้ เมื่อเราไม่ได้ศึกษาธรรมเราก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติตายไปเราก็จะยังแบกกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปกับเราต่อนี่ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือเรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายเราต้องมาทําประโยชน์ ของใจอย่าไปทําประโยชน์ให้กับร่างกายหรือประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาประโยชน์ของกิเลสตัณหาเป็นยังไงก็การทําตามความโลภทําตามความอยากต่างๆนั่นเองอยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ไปหากันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปหากันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็พยายามหาวิธีทํากันการกระทําเหล่านี้ แทนที่จะสร้างความสุขให้กับใจกับเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจและเป็นการสร้างพพสร้างชาติให้กับใจไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดการทำประโยชน์ให้กับใจก็คือการมาเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้มาทําลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปนั่นเองนี่แหละคือการ ทำประโยชน์ให้กับตนก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะได้ทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจพอหมดจากจิตจากใจแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายบุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปพอทําภารกิจอันนี้เสร็จแล้วก็จะไม่มี กิจที่จะต้องทำกิจที่สำหรับตนนี้หมดแล้ว ส, สิ้นสิ้นสุดลงแล้ววุฒิตังบ ร, รมจารอย่างแล้วกิดในปรมจารย์นี้ได้สำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำอีกต่อไปนอกจากภารกิจในการช่วยเหลือผู้อื่นยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นซึ่งจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำมาก หรือทาน้อยก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของของของจิตที่บรรลุแล้วว่าจะทําได้มากได้น้อยบางท่านบนรรลุแล้วก็ทําไม่ได้เลยก็มีก็ถ้าเป็นพระก็เป็นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญจนตัดสติเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ไม่นำเอาเพราะธรรมคำสอน ไม่เอาความรู้ที่ได้จากการบรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็เลยเป็นพระปฏิเสกพระพุทธเจ้าไปก็ไม่มี็ความไม่เป็นบาปแต่อย่างใดเพราะองค์อาจจะมีข้อจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถที่จ ะ, ะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้พระองค์ก็ได้ประโยชน์สำหรับพระองค์เท่านั้นเอง สำหรับพระปเจกัพระพุทธเจ้าแต่สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านหลังจากที่ได้ยังประโยชน์ได้บรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็สามารถนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่แผสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้ก็เลยทำให้เกิดมีพระพุทธศาสนาขึ้นมามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมา ถ้าเป็นพระประเจกล้าพุทธเจ้าก็จะมีเพียงแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาพอพระปะเจกล้าพระพุทธเจ้าตายไปพระพุทธก็หมดไปโลกก็ไม่มีที่พึ่งต่อไป แต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ตัดสัมมาสาัมพุทธเจ้านี้ท่านจะประกาศพระธรรมคำสอนอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ทรงประกาศพระธรรมคาสอนครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาหาบูชาแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังทมได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุการเป็นพระอาาริยสงฆ์สาวกกันขึ้นมาแล้ว พระอริยสงสารว ก, ก็ร่วมกับพระพุทธเจ้าช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนจึงทำให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับโลกนี้มาได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ มีการเผยแผ่พระธรรมต่อไปนี่แหละคือตัวศาสนาตัวตัววิธีที่เราจะสืบทอดพระศาสนาอยู่ที่ตรงนี้วิธีที่จะปกป้องรักษาศาสนาอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่การไปปกป้องวัดวาอารามปกป้องพระรูปนั้นรูปนี้เรามาปกป้อง การศึกษาพระธรรมคำสอนมาปกป้องการปฏิบัติพระธรรมคำสอนมามาปกป้องการบรรลุธรรมและมาปกป้องการเผยแผ่พระธรรมคำสอนจะดีกว่าเพราะเป็นวิธีปกป้องพระพุทธศาสนาและเราจะปกป้องได้ก็เราก็ต้องทากิจของเราก่อน ก่อนที่เราจะไปทำกิจของผู้อื่นต่อไปเราจะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันแล้วก็ออกไปบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันพอเราได้บาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆกันแล้วพอเราได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้ว ภารกิจของเราก็สำเร็จลงประโยชน์ของเราก็ได้ได้เต็มร้อยเมื่อเราได้ประโยชน์เต็มร้อยแล้วทีนี้เราก็สามารถไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้นได้เต็มร้อยเช่นเดียวกันเอาความรู้ที่ได้จากการบรรลุธรรมนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้และจะเป็นความรู้ที่มีอนุภาพมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้นํเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและได้บรรลุธรรมได้อย่างแน่นอนนี่แหละคือการสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือการทานุบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรม แล้วก็ด้วยการเผยแผ่ธรรมส่วนเรื่องของปัจจัยสี่เราก็สนับสนุนไปตามความตามความจำเป็นของร่างกายอาหารก็บินทบาดใส่ไปใส่บาตรวันละครั้งจีวรก็พอมีครบแล้วก็หมดปัญหาไปที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าไม่มีวัดอยู่ก็อยู่ตามป่าตามเขา ยารักษาโรค ก, ก็รักษาไปตามมีตามเกิดเนเพราะว่าจะมียาวิเศษขนาดไหนมันก็จะไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายขาดให้ไม่มีไม่ให้มีโครคภัยไข้เจ็บได้รักษาวันนี้มันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาใหม่แล้วรักษากี่ครั้งหายกี่ครั้งเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีนั้นการรักษาร่างกายจึงไม่ค่อยเป็นเรื่องอสาคัญมาก สำคัญที่การรักษาใจมากกว่ารักษาใจเพื่อไม่ให้ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายอันนี้ก็ต้องมีธรรมโอสถก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญานี่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายเพราะใจจะมีธรรมโอสถ ร, รักษาให้ใจเป็นปกติสุข ไม่ทุกไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายแต่ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาเวลาร่างกายป่วยใจก็ป่วยด้วยและป่วยหนักกว่างานเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้มันน้ําหนักมันเบากว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจ ที่เราทุกข์ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้ไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันเจ็บมากครกับที่มันทุกข์ทรมานมากเพราะใจเราเจ็บมากต่างหากเพราะใจเราขาดศีลสมาธิปัญญาขาดธรรมโอสถนั่นเองแต่ถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะมีธรรมโอสถรักษาใจเวลาร่างกายเป็นอะไรี้ใจจะไม่เปน็นไปกับร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บใจจะไม่เจ็บไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายใจจะไม่ตายไปกับร่างกายเพราะตายเพราะใจไม่มีวันตายนั่นเองใจเจ็บเพราะความโง่ของใจใจขาดศีลสมาธิปัญญาก็เลยไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บใจก็เลยคิดว่าใจเจ็บด้วยก็เลยเกิดความเจ็บขึ้นมาซ้าสอ่อซ้าซ้อนกัน แต่ถ้าใจแยกออกจากร่างกายได้รู้ว่าความเจ็บของร่างกายนั้นเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจใจไม่ต้องไปทุกข์กับความเจ็บของร่างกายได้ด้วยการปล่อยวางความเจ็บนั้นด้วยการไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปมันจะหายก็ต้องให้มันหายเองถ้ามันไม่หายก็ให้มันอยู่ต่อไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไป ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปแต่ใจจะไม่ทุกข์กับมันได้ใจจะสบายจะสุขจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์กับความเจ็บคไายได้ป่วยของทางร่างกายได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือความวิเศษของการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจะทําให้ใจนี้อยู่เหนือความทุกข์ของการแก่ของการเจ็บของการตาย ของการพัดพากจากกันใจจะไม่มีความทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วใจจะวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะ น, นี้นี่คือการยังประโยชน์ของตนด้วยการดูแลรักษาใจ ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาด้วยการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปสละการหาเงินหาทองสละการใช้เงินใช้ทองเพื่อที่จะได้เอาเวลามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้าได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องแล้วการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะตามมาอย่างรวดเร็ว บางท่านก็เจ็ดวันบางท่านก็เจ็ดเดือนบางท่านก็เจ็ดปีอยงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ตอนที่ทรงแสดงพระสติปัฏฐานสูตรว่าถ้าใครสามารถเจริญตามที่ทรงสอนในสติปัฏฐานสูตรได้ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนดังนั้นพวกเรา อย่าลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเลยเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มความศรัทธาความเชื่อให้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามอย่างเต็มที่จะดีกว่าดีกว่าทำแบบที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เพราะมันจะไม่ทำให้เราได้หลุดพ้นกัน เราจะหลุดพ้นกันนี้เราต้องยังประโยชน์ของเราก่อนแล้วค่อยไปยังประโยชน์ให้แก่ผูอ้อื่นอีกทอดหนึ่งนี่คือการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสร้างประโยชน์สุขให้กับเราและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกไปอีกนานๆ พระพุทธศาสนานี้อยู่ด้วยคําสอนด้วยการศึกษาคําสอนด้วยการปฏิบัติตามคําสอนด้วยการบรรลุ ธ, ธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนและนําเอาธรรมที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งถ้าพวกเราทํากันอย่างนี้เราจะได้รับประโยชน์แล้วผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ก็จะได้รับประโยชน์จากการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันแล้วโลกของเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีสงครามจะไม่มีการเข็นฆ่ากันจะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เกิดการแก่การเจ็บการตาย เวลาที่เกิดจากการพัดพาคจากกันเพราะทุกคนพราะทุกคนจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้เพราะจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่แหละคือประโยชน์ที่พวกเราควรที่จะมาบำเพ็ญกันคือบำเพ็ญประโยชน์ของเราก่อนแล้วค่อยไปบำเพ็ญประโยชน์ของผู้อื่นตามลาดับด้วยความไม่ประมาทก็คือให้ทำการเสียตั้งแต่บัดนี้ อย่าพัดวันประกันพุ่งเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับพวกเราก็ได้ให้คิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทกันถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวพอถึงพรุ่งนี้เราก็จะคิดเหมือนวันนี้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่ก็ขอทำอย่างอื่นไปก่อนก็เลยไม่ยอมมาทำประโยชน์ของตนเองให้สำเร็จรุ่วงไปแล้วพอวันดีคืนดีก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้กับเรา แล้วเราก็จะสูญเสียโอกาสอันวิเศษนี้ไปเพราะถ้าเรากลับมาเกิดคราวหน้าแล้วไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องมาทําประโยชน์ของตนก่อนที่ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะทําแบบที่เราทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันจะติดเป็นนิสัยไปเราเคยชอบทําอะไรเราก็จะชอบทําอย่างนั้นต่อไปแต่สิ่งที่เราชอบนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริง ประโยชน์ที่แท้จริงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทํากันเราไม่ชอบออกบวชกันเราไม่ชอบจเจริญศีนสมาธิปัญญากันเราชอบทําบุญทําทานพอประมาณชอบไปเที่ยวกันชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็จะทําอย่างนี้ต่อไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราไม่ประมาท เราคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเริ่มปฏิบัติแล้วเริ่มปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้แล้วเราจะยุติการทำภารกิจอย่างอื่นที่เราไม่จำเป็นจะต้องทำถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มปฏิบัติและเราก็จะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่นานเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราจะได้ทำประโยชน์ของเราได้สำเร็จหลังจากที่เราสำเร็จประโยชน์ของเราแล้วเราก็สามารถไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้ได้อีกทอดหนึ่งและเป็นประโยชน์ที่สูงสุดประโยชน์ที่ดีที่สุดด้วยจึงขอฝากเรื่องของการนำเอาคำสอนนำเอาภาพปฏิมโมวาสของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่า สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดายงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรําดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอให้ขึ้นมาถามที่ไมโครโฟนนี้ถ้ามีคำถามถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณพุท ธ, ธิพรการทำสมาธิให้อยู่ในอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งหมายถึงอุเบกขาท่ามกลางการใช้ชีวิตแบบปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมธรรมะเลยจะปฏิบัติอย่างไรให้ได้สภาวะธรรมนั้นคะก็ต้องอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ทางที่ดีก็ไปปิกวิเวกถ้ายังอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่โอกาสที่จะทำใจให้เป็นหนึ่งนี้มันแทบจะไม่มีเลยก็ทำได้เป็นพักๆทำได้แบบพอหอมปากหอมค อ, เ, อเช่นกลับบ้านก็ก่อนนอนก็นั่งสมาธิเตือนเช้าขึ้นมาก่อนจะไปทําภารกิจการงานก็นั่งสมาธาิก็ยังดีกว่าไม่ทาเลย ก็หัดทำอย่างนี้ไปก่อนพอทำได้แล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณของการการทำให้มากขึ้นไปตามลาดำับช่วงไหนมีวันหยุดที่สามารถไปปีกเวเวกได้ก็ไปปีกวเวเวเพื่อจะได้ทำได้อย่างเต็มที่ถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆสามวันห้าวันก็ดีกว่าไม่ทำเลยต้องเริ่มจากน้อยไปหามากไปคำถามจากคุณสอละทาน ความรู้สึกเกงใจมากหรือน้อยจัดเป็นกิเลสประเภทหนึ่งไหมครับมันก็แล้วแต่ว่าเกงใจด้วยเหตุผลอันใดนะถ้าเกงทำเกงใจด้วยธทำมันก็มันก็ไม่เป็นกิเลสถ้าเกงใจด้วยความโลภเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ก็เลยเกงใจเขาอย่างนี้ก็เป็นกิเลส คำถามจากคุณลือไทยผู้บวชเกินสามครั้งบวชใหม่ได้ไม่ได้ไหมครับและชายสามบวชเป็นแบบใดครับคือการบวชแล้วสึกบวชแล้วสึกนี้แสดงถึงความไม่แนว่วแ น, แน่มั่นคงของจิตใจในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำแล้วก็ล้มเหลวบวชแล้วก็สึกแล้วพอเดี๋ยวก็อยากบวชใหม่ก็บวชอีกก็เลยเรียกว่า มันเป็นการบวชที่ไม่ไม่ได้ประโยชน์เพราะการไปบวชได้ประโยชน์มันต้องบวชแล้วไม่สึกกันฉะนั้นชายสามบวชนี่นก็ถึงเราบอกว่าเป็นชายที่จิตใจไม่มัน่นไม่แน่วแน่มั่นคงโลเลรักพี่เสียดายน้องเวลามาบวชก็อยากจะกลับไปหาแฟนพอกลับไปอยู่กับแฟนก็อยากจะกลับมาบวชก็เลยวิ่งไปวิ่งมา อย่างนี้ก็จะไม่มีวันที่จะบวชได้สำเร็จถ้าอยากจะบวชได้สำเร็จต้องบวชแล้วไม่เริกไปเลยอย่างสมัยพระพุทธกาลนี่ไม่มีการเซิกกันบวชแล้วก็บวชไปไม่มีวันเซิกคำถามจากผู้ฝากถามการบนบาลกับการอธิษฐานเหมือนหรือต่างกันคะ ไม่เหมือนกันหรอเพราะบนบานเราไปขอผลขอสิ่งต่างๆเช่นขอความสุขขอความเจริญซึ่งเป็นผลนะผลเหล่านี้มันจะเกิดต้องมีเหตุถึงจะเกิดได้ส่วนการอธิษฐานนี้เราอธิษฐานที่เหตเออุเหตุก็คือการกระทาที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการเช่นเราอยากจะเรียนจบปริญญาเราก็ตั้งอธิษฐานไว้ที่ว่าจะต้องตั้งใจเรียน จะไม่เกเรจะไม่หนีโรงเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจทําการบ้านตั้งใจดูหนังสืออันนี้เรียกว่าอธิษฐานพอเราอธิษฐานแล้วเดี๋ยวเราทําตามที่เราอธิษฐานเดี๋ยวการได้ปริญญาก็จะเป็นผลตามมาแต่ถ้าเป็นการบนบานก็คือไปบนว่าขอให้ได้ปริญญาเนี้ยนี่ใกล้จะสอบหรือเลือบสอบเสร็จแล้วเนี้ยขอให้ได้ปริญญาแต่ถ้า ไม่ไปเรียนไม่ไปาทาการบ้านไม่เข้าห้องเรียนเนี่ยบนบานไปยังไงก็ไม่มีวันได้ต่างกันตรงนี้และถ้าเราเคยบนบานแต่เราจะขอยกเลิกได้ไหมคะเพราะอยางเพราะเราจะยึดถือคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวค่ะได้ก็ยกเลิกไปก็ได้ จ า, จากผู้ฝากถามทั้งบ้านนะคะคือขอขอเรียนเรียนพระอาจารย์ให้พระอาจารย์มีวันหยุดพักสักอาทิตย์ละหนึ่งวันคะ่ะเพื่อรักษาธาตุขันของพระอาจารย์เพื่อประโยชน์แห่งพระศาสนาค่ะแล้วท่านจะเห็นควรอรับฟังแนละ้วแต่เราจะหยุดเมื่อไหรเราก็จะหยุดไม่ต้องมีใครมาสอนเราหรอก พระอาจารย์ครับรุ่นรุ่นที่พระอาจารย์บวชเมื่อสองห้าหนึ่งแปดเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยมีหลายท่านไหมครับที่ศึกไปแล้วหรือไม่ก็หรื อ, อยังอยู่กันครบอยู่เยอะอะไรเี้ยครัเวลามันมันถ้าถ้าพูดถึงรุ่นบวชเราบวชแค่สองคนตอนที่เราบวชเราบวชใครคนนึงเขาบวชชั่วคราวเขาบวชสิบห้าวันเขาศึกไปนานแนะ้แต่พระที่ มีพรรษาใกล้ๆ ก, ก, กันนี่ก็ที่ไปอยู่วัดป่าบ้านตาดด้วยกันก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กันอยู่คำถามจากคุณนาลานะครับเราทําผิดศีลไม่เจตนาเป็นบาปไหมครับถ้าไม่มีความตั้งใจมันไม่บาปแต่มันก็ยังมีความเสียหายคือเราไปเหยียบเท้าคนอื่นโดยที่เราไม่ตั้งใจนี้เท้าเขาก็เจ็บแล้วก็อาจจะเป็นเวรได้เพราะเขาก็จะโกรธเราได้ งนเราก็ต้องทำอะไรต้องระวัดระวังถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเจตนาเราจะไปอ้างการไม่มีเจตนาแล้วก็ทำให้เกิดการเสียหายซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ไม่ดีมันก็จะเป็นโทษกับเราได้เพราะคนที่เขาเจ็บเขาก็จะต้องโกรธเกียดเราขึ้นมาคาถามเจคุณมะลินะครับการบริกรรมจะทำให้ได้ความสงบมากกว่าสวดมนต์ใช่ไหมคะ พอคำบริกรรมนี่มันจะอยู่เพียงคำเดียวอยู่กับเรื่องเดียวจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งได้แต่ถ้าเราสวดนี่มันยังไปกับเรื่องการสวดอยู่มันยังปรุงแต่งอยู่สังขารยังปรุงแต่งยาวได้เป็นเรื่องเป็นราวได้แต่มันก็ช่วยจิตที่กำลังฟุ้งซ่านได้ดีกว่าคำบริกรรมเพราะบางทีคำบริกรรมนี่จิตฟุ้งซ่านมันจะไม่ยอมรับก็เลยต้องใช้การสวดไปก่อน ต่อสวดเล่าจิตหายฟุ้งซ่านแล้วทีนี้ค่อยมาบริกรรมต่อข้อที่สองนะครับถ้าสวดเจริญพุทธคุณบทเดียวกลับไปกลับมาจะเรียกว่าบริกรรมไหมคะไม้หรอกบริกรรมต้องคําเดียวพุทธโธพุทธโธถึงเรียกว่าบริกรรมหรือสั้นๆพุทธังสรารนังกัชามีแต่ก็ไม่รู้นะเท่าที่ได้ยินมาครับริกรรมนี่มักจะเป็นคําเดียวมากกว่าพุทธโธธรมโมสังโฆอะไรไป คือให้ใจมันมันอยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้อยู่กับหลายเรื่องมีคนสงสัยว่าดื่มเหล้าทำไมถึงบาปครับ อ, อการดื่มเหล้าเองมันไม่บาป แ, แต่มันจะทำให้ไปทำบาปง่ายๆคนดื่มเหล้าแล้วจะมึนเมาจะขาดสติจะไม่สามารถหักข้ามจิตใจเวลาคิดจะทำบาปก็จะทำได้ยงง่ายได้กว่าคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้า คนที่ดื่มไม่ได้ดื่มเหล้าพอคิดจะทำบาปก็ยังมีสติยับยั้งได้ว่าอ๋อไม่ดีเราไม่ทำบาปนะแต่ถ้าดื่มเหล้าแล้วมันจะไม่มีสติยับยัง้งมันจะทำทันทีเลยพอคิดจะทำอะไรมันก็ทำท่านเลยต้องห้ามการดื่มเหล้าเพราะมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลได้อย่างนี้แสดงว่าผู้ที่ถือศีลห้านะครับถ้าดื่มเหล้าแล้วไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็ศีลขาดแต่ไม่ได้บาป ก็ไม่ได้ไปทําบาปไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายแก่ผู้อื่นแต่ก็ทำเสียหายให้กับตนเองแทนที่จะนั่งภาวนานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้กินเหล้าเมาแล้วก็หลับครออครอกก็ทำร้ายตัวเองไม่ได้ทำร้ายผู้อื่นก็ทำร้ายตัวเอ ง, ำำเองคำถามจากคุณนัทวุฒินะครับ การที่เรานั่งสมาธินาน 3-5 ชั่วโมงต่อวันมีทั้งสงบฟุ้งซ่านง่วงนอนเจ็บปวดอดทนบางครั้งก็ขัดเคืองในใจตนการกระทำเช่นนี้ถือว่าทำเหตุให้ยิ่งแล้วหรือทอรมานตนเองมากกว่าครับมันเป็นผลที่สติเรายังไม่มีกำลังก็เหมือนกับกำลังนมลูกคุกคานอยู่เวลามีสติจิตก็สงบ พอเวลาเพลอสติจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็สร้างความทุกข์ทรมานใจต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติมันก็ต้องเป็นการเรียนรู้ไปเป็นการพัฒนาไปพอเรามีสติมากขึ้นต่อเนื่องขึ้น ความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆพอมีสติต่อเนื่องตลอดเวลานี้มันก็สบายสามารถควบคุมความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ใจก็จะมีแต่ความสงบมีความเย็นความสบายไปเรื่อยๆถึงเน้นเสมอว่าให้เจริญสติให้มากๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปจนวันตายก็จะไม่มีวันสงบแต่ถ้าใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไป ไม่ให้คิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจิตก็สงบแล้วก็จะเย็นจะสบายพอทําจิตให้สงบได้แล้วทีนี้ก็จะทําไปได้เรื่อยๆข้อต่อไปนะครับจากคุณการฤุษไทยนะครับเวลานั่งสมาธิมันจะเดินเป็นลําดับคือปิติสุขเฉยและมีเบื่อสลับแทรกเกือบสองอาทิตย์ที่มันเดินไปที่สุขเบื่อเฉยแล้วย้อนกลับมา เบื่ออีกเบื่อแล้วเบื่อเล่าทุกแล้วทุกเล่าผ่านแล้วก็ย้อนกลับมาอีกแล้วจู่ๆโทษครับแล้วแล้วเล่าเจําไม่ได้ว่าเบื่อและทุกเท่าไหร่บนซ้ําไปซ้ํามาจนเบื่อตอนนี้รู้สึกแห้งแ้งอะไรก็ดูไร้สาระไปเสียหมดก็เป็นความรู้สึกที่เกิดแล้ว แล้วแล้วเล่าๆ อ, อีกอิดอัดอยากระเบิดออกแต่ก็ยังไม่มีปัญญาก้าวข้ามได้เสียทีทั้งที่เคยพบกับความว่างไราการปรุงแต่งเฉยมาพักใหญ่แต่ที่สุดก็วนกลับมาเช่นนี้อีกพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะก็ต้องตั้งสติขึ้นมาใหม่ผลต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการไม่มีสตินี่ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็จะ กำจัดทุกอย่างที่เป็นปัญหาได้ตอนนี้ใช้ปัญญาไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาและไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ได้งนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือสติให้เราบริกรรมพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อย คำถามจะคุณพานุพงศ์นะครับเวลาไปทําบุญแล้วพอกลับบ้านใบแทนที่แฟนจะอนุโมทนาแต่กลับอารมณ์เสียใส่เราและเรารู้ว่าการทําบุญถ้าได้อุทิศให้แฟนจะไม่ได้รับแต่จะด่าเรากลับคืนสังเกตหลายครั้งจะเป็นแบบนี้ตลอดควรทําอย่างไรครับก็ปล่อยเขาไปเขาไม่ชอบบุญเอเมื่อเอาบุญไปให้เขาเขาก็เหมือนเอาอุจจาระไปให้เขาเขาก็ด่าเรา ถ้าเขาชอบสุราเราเอาสุราไปให้เขาก็เาก็จะสาธุสาธุคำถามจากคุณจุ่มจ้านะครับอขอความเมตตาจากพระอาจารย์ถึงวิธีการเริ่มที่จะให้หลานชายอายุ12ปีฝึก ปฏิบัติธรรมปกติจะพากาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันเจ้าค่าะแล้วก็นั่งกับเขาเสียช่วยก็นั่งนั่งไหว้พระสวดมนต์กันไปก่อนสวดมนต์เสร็จก็บอกให้นั่งพุโทโธพุโทโธไปหลับตาไปเราต้องทํากับเขาไม่ใช่บอกเขาแล้วตัวเองไม่ทําตัวเองไปนั่งดูทีวีแล้วก็บอกหนูพุโทโธไปนะอันนี้ก็เป็นเหมือนแม่ปูสอนลูกปูแม่ปูอยากให้ลูกเดินตรงๆแต่เวลาแม่เดินเท่ไรก็เดินเฉไปเฉมา ลูกมันเห็นแม่เดินยังไงมันก็เดินตามแม่ไปนะถ้าลูกถ้าแม่นั่งดูทีวีมันก็ไปนั่งดูทีวีกับแม่แล้วแหละถ้าแม่นั่งสวดมนต์มันก็ไปสวดมนต์กับแม่งั้นถ้าอยากจะให้ลูกทำอะไรเราก็ต้องเป็นต้นตัวอย่างที่ดีนานาพาเขาเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำอะไรสิ่งทีท่ท่านสอนคนอื่นท่านทำมาแล้วทั้งนั้นท่านทำเป็นตัวอย่างให้เราดูแล้วว่ามันดีอย่างไร ถ้าเราอยากจะให้คนอื่นทำตามที่เราอยากให้เขาทำเราก็ต้องพาเขาทำคำถามจะคุณนาลานะครับผมเดินไปทำบุญสังฆทานจนปวดขาที่วัดใกล้กับนั่งรถทำบุญสังฆทานที่วัดใกล้ เป็นการ<ว>บาเพ็ญบารมีมากกว่ากันหรือเปล่าครับเอวัดไกลบ้าคือนั่งรถไปไกลแต่ไม่ไม่เจ็บไม่เหนื่อยพราะนั่งรถกับเดินไปวัดใกล้บ้านแต่เหนื่อยคือถ้าเราต้องทุกข์ยากลําลบากเพื่อไปทําบุญเราก็จะได้วิริยะบารมีได้ขันติบารมีด้วยคือเราต้องอดทนเราต้องเพียรเราถึงจะไปที่วัดได้ แต่ถ้าเรานั่งรถไปไกลมันก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันแต่มีความอดทนเหมือนกันว่านั่งอาจจะปวดฉี่ในรถก็ได้ถ้านั่งไปไกลๆมันก็ต้องมีแต่มันอาจจะไม่มีความเพียรเพราะว่ามันนั่งเฉยๆนอกจากเราใช้เวลาที่นั่งรถไปนี้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะได้ความเพียรได้การเจริญสติฉะนั้นเราจะมาวัดเรื่องว่าอย่างไหนจดีกว่ากันนั้นมันอยู่ที่เรามากกว่าว่าเราจะรู้จักใช้ เวลาใช้เหตุการณ์ต่างๆมาทําให้เกิดธรรมะขึ้นมาหรือไม่ถ้าเราไม่รู้บางทีเราก็ต้องเอาแบบที่เรารู้เช่ น, นอะต้องเดินต้องแบกบต้องหามไปอยู่เรื่อยๆอย่างมีพวกชาวต่างประเทศนี่ที่เข้าไปเรียนรู้เรียนศึกษาจากาศาสนาพุทธอีกนิกายหนึ่งที่เขาสอนว่าอยากจะสร้างความเพียรสร้างความอดทนนี้ให้เดินทางไปจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง และทุกก้าวนี้ต้องให้กราบพระครั้งหนึ่งก้าครั้งหนึ่งก็ก้มลงกราบพระครั้งหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินก้าวหนึ่งแล้วก็ก้มกราบ อ, อันนี้ก็เป็นอุบายสอนให้เอมีความเพียรมีความอดทนมีความตั้งใจที่แน่วแน่แต่ถ้าคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็จะคิดว่ามันบ้าเปล่าเดินก้าวหนึ่งแล้วก็กราบพระผลหนึ่งแล้วก็เดินไป 9, ก้าวก็กราบไหว้คนหนึ่ง ให้เดินไปเงี้ยทั้งวันไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ ท, ที่ที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็เป็นอุบายการสร้างความเพียรบางอาจารย์ท่านก็สอนให้ลูกศิษย์เดินจงกรมทีหกชั่วโมงเลยไม่ต้องนั่งเดินไปหกชั่วโมงหรือบางสำนักก็ให้นั่งทั้งคืนเลยอันนี้ก็เป็นอุบายการสร้างความเพียรสร้างคันติสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นและสร้างสติไปในตัวด้วย คำถามจากคุณนัททานะครับหากว่ากับผมมีครอบครัวแล้วซึ่งเป็นครอบครัวฐานะปานกลางผมมีจิตสัทยาจะบวชอย่างไม่มีกําหนดในขณะที่ลูกยังเล็กอยู่จะเป็นการละทิ้งภาระหน้าที่หรือเปล่าครับถ้าเราตายไปนี่จะเป็นการละทิ้งภาระหน้าที่หรือเปล่าก็ให้ลองเปรียบเทียบดูก็แล้วกันเราไม่อยากจะตอบนะแล้ว เ, เวลาเราไปเที่ยวนี่เราละทิ้งหน้าที่หรือเปล่าปล่อยให้ ให้ลูกอยู่บ้านกับแม่ให้กับภรรยาเราไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนี่เราละทิ้งหน้าที่หรือเปล่าอพอเวลาจะไปทำความดีนี่รู้สึกว่ามันความรู้สึกละทิ้งหน้าที่มาเลยเวลาไปทำความชั่วนี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องหน้าที่เลยคำถามที่คุณ นะครับถ้าเป็นหมอแล้วรักษาคนไข้พลาดแต่ไม่ได้ตั้งใจจะบาปไหมคะหรือเป็นเวรกรรมทำร่วมกันมาคะอ๋อไม่บาปแหละมันก็เป็นอุบัติเหตุเป็นการผิดพลาดแต่ถามว่าเสียหายไหมเสียหายถามคนไข้เขาพอใจหมเขาไม่พอใจ <laughs> <laughs> เขาก็อาจจะจองเวรจองกรรมเดี๋ยวนี้เขาทร่องลองแพทย์กัน พระบางทีแพทย์ก็ทำแบบไม่ไม่ถูกต้องทำให้คนไข้เสียหายเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งได้ข่าวน่แพทย์คนหนึ่งรักษาโรคหลังเจ็บของคนไข้ยั ง, งทั้งโลกคนไข้เป็นเอามาเพิกกำมาพาดไปคนไข้เลยฟ้องศาลหวานเมื่อศาลเขาก็เลยพิจารณาหลักฐานต่างๆเขาก็ตัดสินว่าผิดต้องติดคุก หมายความว่าถ้าหมอเนี่ยถ้าเกิดรักษาคนด้วยความช่วยครับอาจารย์ไม่ใส่ใจแบบส่งๆไปดีก็เป็นบาปของเขาใช่ไหมครับเออ่อก็มันทำให้ผู้คื่นเขาเสียหายเดือดร้อนถึงแม้ไม่มีเจตนาตั้งใจจะให้เขาเดือดร้อนเพียงแต่ว่าทำไปตามสบายทำอะไรแบบไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ระมัดระวังไม่รัดกุมไม่อะไรไม่รอบครอบอะไรทำนองนี้คาถามจากคุณ ลิ น, นาเลศนะครับเวลานั่งสมาธิหนูตั้งใจจะทำใจให้สงบก่อนโดยการพุโทโธแต่พอถึงเวลาปฏิบัติใจดันจะไปดูร่างกายพยายามกลับมาพุโทโธแต่ก็ไม่มาง่ายๆหนูเลยต้องปล่อยให้ดูร่างกายไปดูกระดูกไปอันนี้ตามที่ถูกต้องหนูควรต้องทำอย่างไรเจ้าคะได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขอให้ใจมีอะไรผูกไวจะผูกไวกับกระดูกก็ได้ ปูกไว้กับลมหายใจก็ได้ปูกไว้กับพุโทโธก็ได้เยงยแต่ว่าขอให้มันปูกอยู่กับเรื่องเดียวอย่าปล่อยให้มันวิ่งไปวิ่งมามันจะไม่สงบมันจะไม่รวมเป็นหนึ่งคําถามจากคุณนาลินนะครับสตินี้จริงๆคืออะไรครับไม่ได้อยู่ในหมวดขันห้าใช่ไหมครับแล้วต่างกันอย่างไรกับสัญญา ส, สังขารวิ ญ, ญญาณครับ คือสติเป็นตัวคอยควบคุมสัญญาสังขารสัญญาสังขารให้หยุดได้ถ้ามีสติเราก็หยุดปรุงแต่งได้หยุดหยุดความจำได้แต่ถ้าไม่มีสติสัญญาสังขารมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นเบรกส่วนสัญญาสังขารก็เป็นเหมือนล้อ เป็นเหมือนเครื่องยนต์มันก็ทำงานไปถ้าเราต้องการให้ล้อให้เครื่องยนต์หยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกคำถามที่คุณอันๆนะครับถ้าเราต้องทำงานกับหัวหน้างานที่เป็นคนไม่ดีเราจะทำอย่างไรให้เราทำงานกับเขาได้อย่างมีความสุขคะก็มองเขาว่าเป็นคนที่เรารักเขาแล้วกันเขาไม่ดีก็เรื่องของเขามองว่าเขาเป็นคนให้เงินเรา หรือว่าถ้ามองว่ามันเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเึ่งคนร่วมโลกนี้ก็มีทั้งดีทั้งชั่วปนกันไปเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ถ้าเราเลือกได้ก็ควรจะเลือกอย่างพุทธเจ้าบอกว่าอยาคบคนพาลคนไม่ดีให้คบคนดีคนมันคนคนฉลาดบัณฑิตแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ต้องต้องทำใจไว้พุโทโธพุธโทโธไป อย่าไปรังเกยียจอย่าไปเกลียดเขาแผ่เมตตาให้เขาเ น, นี่ยตอนเนี้ยควรจะแผ่เมตตาอย่าไปแผ่ตอนที่อยู่คนเดียวะแหมแผ่ให้เจ้ากรรมในเวรไปรอบโลกเลยแต่พอเจอคนที่เราไม่ชอบขึ้นมาแผ่ไม่ออกเนี่ยที่เราให้แผ่คนเดียวเพื่อซ้อมไว้ก่อนเวลาเราอยู่คนเดียวเรานึกถึงหน้าตาเขาเวลาเราเจอเขาเรายิ้มให้เขาได้หรือเปล่าแล้ว ซื้อขนมมาฝากให้เขากินได้หรือเปล่ามีอะไรแบ่งให้เขาได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ลองหัดทำดูแล้วการอยู่กับเขาเราก็จะสบายใจเพราะความดีหรือความชั่วของเขามันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความดีความชั่วของเขาได้แต่เราสามารถเปลี่ยนใจของเราให้ไม่รังเกียจกับความไม่ดีของเขาได้ทำให้เราอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุข จากคุณประภัยพรนะครับผู้ที่ไปปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นก่อนแล้วค่อยมาเผยแผ่เผยช่วยเหลือผู้อื่นถามว่าแล้วผู้ที่หลุดพ้นนั้นมีสภาวะใดหรือสิ่งใดที่ตรวจสอบตัวเองให้แน่ใจว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วไม่ได้ถูกความคิดตัวเองหลอกว่าพ้นแล้วคะเออมันเป็นความรู้สึกไงเช่นกินข้าวอิ่มหรือไม่อิ่มนี่เราหลอกตัวเราได้ไปะ กินไม่อิ่มแล้วบอกว่าอิ่มนี้ได้บอกได้ป่ะนั่นละปฏิบัติก็เพื่อความอิ่มใจเพื่อความสุขใจพอใจอิ่มใจสุขใจไม่ทุกข์แล้วมันก็รู้เอง <ใน S 2> สันทิททโก อ, อาว่ามาในทางกลับกันถ้าเกิดมีไหมครับอาจารย์ที่แบบว่าหลุดพ้นแต่ไม่รู้ว่าตัวเองหลุดพ้นนะครับอาจารย์ ไม่มีหรอกคนที่ต้องรู้เสียว่าตอนตอนนี้เราไม่ทุกข์กับอะไรแต่อาจจะไม่รู้ชื่อของการหลุดพ้นว่าตอนนี้หลุดพ้นอยู่ขั้นไหนแล้วขั้นโซดาขัา้นสกิดาคานี้อาจจะไม่รู้แต่รู้ว่า เ, เรื่องความแก่เจ็บตายกูไม่กังวลละมันจะตายเมื่อไหร่ก็ตายได้อะไรเงี้ยเรื่องการบัลลมก็เห็นใครก็ไม่เกิดการบัลมขึ้นมาเฉยเฉยไม่เห็นจะน่ารักน่าดูตรงไหนเลยอย่างนี้เขาก็ เขาก็รู้อยู่ในใจของเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าชื่อของมันชื่ออะไรขั้นนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้มันไม่ตัวชื่อนี้มันต้องเรียนตำราเหมือนเพียงจะรู้แต่ตัวจริงนี้เราเจอแล้วเพียงแต่เราไม่ไม่รู้ชื่อมัน ไม่รู้ว่าตัวนี้ชื่อตันหาไม่รู้ตัวนี้ชื่อกิเลสเนี่ยไม่รู้แต่พอไปอ่านหนังสือธรรมาก็รู้อ๋อตัวนี้ที่อยู่ในใจเราคือตันหาตัวนี้คือกิเลสตัวนี้คือสติตัวนี้คืออะไรมันก็จะรู้ถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนพอเราไปอ่านหนังสือธรรมะเราก็จะรู้ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของเราอยู่แล้วคาถามจากดรพิสิทธ์นะครับใจที่อยู่ในทวารหก เป็นอย่างเดียวกับจิตที่เราต้องฝึกหรือไม่ครับใจกับจิตก็ตัวเดียวกันนี่แหละแต่มันเป็นตัวที่ส่งกระแสความรับรู้มาที่ทาวารทั้งทั้งหส่งมาที่ตาหูจมูกเนื้อง่ายและที่ใจเพื่อรับข้อมูลต่างๆรับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภและธรมรมารมณ์แต่ใจที่ต้องฝึกเพราะว่าใจหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสธรมรมารม ลงไปคิดว่าเป็นเป็นสุขขังเป็นนิจจังเป็นอัตตาเลยทำให้เกิดอุปทานความยึดติดเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเลยเกิดความทุกข์ตามมาก็ต้องสอนใจให้รู้ว่ า, าท่ามท่ามที่มาผ่านทวารทั้งหกนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรที่จะไปยึดไปติดไม่ควรที่จะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเป็นไปตามสภาพของเขาสักแต่ว่ารู้ไป เช่นเสียงมาทางหูเสียงดีหรือเสียงชั่วก็เสียงเหมือนกันเสียงชมหรือเสียงด่าก็แค่เสียงแต่เราไปปรุงแต่งแล้วก็ไปเกิดความหลงว่ามันเป็นทุกข์เป็นสุขขึ้นมาแล้วก็เกิดอุปทานขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันว่ามันเป็นเพียงเสียงเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันเป็นเสียงดีหรือเสียงไม่ดีมันจะมา ทางไหนแบบไหนก็รับรู้เฉยๆเราไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาตอบโต้เราก็จะไม่ทุกข์การที่เราจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ได้เราก็ต้องฝึกจิตให้มีอุเบกขาก็คือฝึกสติฝึกสมาธินี้่นะพอมีอุเบกขาแล้วก็สอนใจด้วยปัญญาเวลาใจจะออกจากอุเบกขาก็ดึงมันกลับมาด้วยปัญญาว่าอย่าออกไปออกไปแล้วทุกข์เหมือนเราอยู่ในห้องแอร์อย่าออกไปข้างนอก ห้องมันร้อนอันนี้ใช้ปัญญาดึงเอาไว้แต่ตอนต้นต้องสร้างห้องแอร์ขึ้นมาก่อนต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนแล้วเราจะได้อะเอาใจอยู่ในห้องแอร์ห้องเย็นแล้วพอใจถูกกิเลสหลอกให้ออกไปข้างนอกก็ใช้ปัญญาแก่ว่าอย่าออกไปออกไปร้อนร้อนอยู่ข้างในดีกว่าออกไปข้างนอกเป็นสมุทยัยเข้าข้างในเป็นมรรคคำถามจาก คุณเพิ่งรู้แต่นะครับหากผู้นั้นเป็นเกอแต่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กําเนิดเขาผู้นั้นกลับใจเป็นผู้ชายจะสามารถบวชได้ไหมครับก็ไม่รู้ว่ากลับจริงแล้วไม่จริงก็ไม่รู้ก็ถ้าเขาถ้าเขาไม่ไปทําอะไรผิดศีลเขาก็บวชได้เพราะสมัยนี้นก็มีเยอะแยะที่มาบวชกันที่ไม่รู้ว่าเป็นชายจริงหญิงแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ถ้าตาบได้เขาบวชแล้วเขาไม่ไปทำปาราชิกก็ไม่มีปัญหาอะไรปาราชิกนี้ไม่จาเป็นจะต้องทำกับเพศตรงกันข้ามทำกับเพศเดียวกันก็เป็นปาราชิกเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดไปชอบเพศเดียวกันชอบผู้ชายมาบวชอยู่ด้วยกันนี้เดี๋ยวมันมันอยู่ใกล้กันมันเดี๋ยวมันไฟมันจะลุกได้ก็เสี่ยงต่อปาราชิกเท่นั้นเองเขาจึงไม่อยากให้บวชถ้ารู้ว่าเป็น ใช่ cat, เป็นชายที่ชอบชายเนี้าก็จะไม่ให้บวชจากคุณสุพนัทนะครับในพุทธศาสนามีสวรรค์ชั้นพรมแล้วพรมในที่นี้คือพรมที่อยู่ในพราหมณ์หมครับก็พรมมันเดียวกันนี And, s <S ่แหละพรมศาสนาพราหมณ์เขาก็ศาสนาฮินดูเขาก็เชื่อเรื่องเทวดาเรื่องพรมเรื่องอบายเรื่องมนุษย์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดแต่เขาไม่รู้เรื่องนิพพานเท่านั้นเองเขาคิดว่าขั้นสูงสุดก็คือขั้นพรม คำถามจากคุณโปรเจกต์อีทนะครับดูใจแล้วจิตว่างแล้วทำอย่างไรต่อครับก็รักษาความว่างไว้สิเพราะความว่างนี้เป็ น, ปนความสุขอย่างยิ่งคำถามจากคุณโก้ น, นะครับนั่งสมาธิอย่างไรให้ถูกต้องครับก็นั่งด้วยสติไง ต้องมีพุทโธกำกับใจหรือมีลมหายใจกำกับอย่านั่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้ใจปรุงแต่งนิมิตต่างๆขึ้นมาภาพต่างๆความรู้สึกต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไปหลงคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเอาเมื่อวันก่อนมีคนมานั่งหว่อไปนั่งสมาธิแล้ว เ, เห็นพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็เลยไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ําก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นยังไงเ ถ้าเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเพียนไปแล้วเห็นอะไรก็ตามมันไม่ควรไปสนใจเรานั่งเพื่อให้ใจสงบให้มีความสุขให้มีความอิ่มแล้วเราจะไม่ไปทําอะไรที่เสียหายแต่ถ้าเราไปนั่งแล้วไปไปเห็นอะไรแล้วก็ไปคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่เห็นว่าตนได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วไมไ่เป็นมนุษย์กินอาหารแล้วต้อง ไม่ต้องกินอาหารก็ได้ก็เขาก็กลายเป็นคนผิดปกติไปแต่เขาในใจเขาอาจจะคิดว่าเขาถูกเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องกินข้าวเขาก็ไม่ทุกข์เขาไม่ต้องดื่มน้ำเขาก็ไม่ทุกข์ก็ได้ก็เรื่องของเขาจะทำไงได้คำถามจ้าคุณสุภลัตนะครับสถานธรรมเขาให้เข้าพิธีรับธรรมะไม่เข้าพิธีเขาเพราะถือ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเข้าพิธีรับธรรมะกับเขามันผิดไหมคะทำบ้างก็เป็นอะไรแหละธรรมะก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลยไม่เข้าใจคำว่ า, ารับธรรมะนี่รับอะไรรับไปไหว้ก็ไม่กดดันรับไปไหว้ก็ไม่กดดัน ก็ไม่รู้ละถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเองเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สอนให้เราทําทานรักษาศีลภาวนาถ้าเขาสอนวิธีอื่นที่ขัดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็อย่าไปรับถ้าเราเป็นพุทธแท้ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม น, นะครับถ้าเรารักษาสัจจะเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรสังเกตว่าจะทำให้กำลังใจเราเข้มแข็งมากขึ้นและมีผลดีด้านอื่นอีกไหมคะในด้านการปฏิบัติก็ทำให้เราเป็นคนจริงใจทำอะไรก็ไม่หล่อแหละไม่โลเลทำอะไรก็ทำด้วยความแน่วแน่มั่นคงแลาจะนำไปสู่ความสาเร็จได้ จากคุณกิตตานะครับพอ่อพ่อตัดพ่อตัดลูกแต่ลูกก็ส่งเงินให้พ่อใช้ทุกเดือนลูกไปเที่ยวเมืองไทยไม่กล้ากลับไปหาพอ่อกลัวพ่อมีปัญหากับครอบครัวใหม่เป็นบาปไหมคะอ่าไม่บาปหรอกส่งเงินส่งทองให้พ่อก็เป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นความกตัญญูเรื่องความจริงมันตัดกันไม่ได้หรอกพอลูกมันก็เป็นพ่อลูกเพียงแต่ปากมันก็พูดว่าตัดไปเท่านั้นเอง แต่มันไปเปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงก็ยังเป็นพ่อลูกอยู่แล้วเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องอตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เห็นต่อให้พ่อแม่เขาจะว่าอย่างไงเขาจะตัดเราอย่างไรเราถ้าเราเป็นลูกกตัญญูเราก็ไม่ไปสนใจในเรื่องคำพูดของเขาเราก็ช่วยเหลือเขาได้ทำบุญให้กับเขาได้ก็ทาไปแต่ไม่ต้องไปเจอกันก็ได้ พอเจอกันอาจจะทำให้เกิดปัญหาก็ได้ัอยู่ห่างๆกันดีกว่าช่วยกันแบบส่งเงินไปคำถามจากคุณพึงรู้แต่นะครับจะเจริญอสุภกรรมฐานให้ได้ผลมากที่สุดต้องทำอย่างไรครับก็ไปนั่งที่สำนักเนี่ยที่เขามีโ s e ให้นั่งดูก็มีเวลาให้ไปนั่ง จับคิวกันมีสองทุ่มถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงสองยามสองยามถึงตีตีสองอะไรเนี่ยมีสามรอบจับจลา ก, กันเราถึงเวลาเขาก็จะมีเมีที่ที่เขาตั้งศพไว้ในโลแล้วก็เปิดฝาให้เราเห็นแล้วให้เราไปนั่งสมาธิต่อหน้าศพได้ดมทั้งกลิ่นได้เห็นทั้งภาพอย่างนี้จะได้เห็นอย่างชัดเจน คำถามข้อสุดท้ายนะครับจากคุณมาลีนะครับสภาวะการเกิดความว่างคือไม่มีตัวตนเหลืออยู่กับความว่างที่ไม่มีตัวตนอยู่แต่ขณะเดียวการมีความสะเทือนคล้ายๆกับชีพจรเต้นอยู่ไปทั่วร่างกายความว่างแบบนี้ความว่างแบบใดที่ทำให้หลุดพ้นคะคือมันต้องว่างด้วยมันมีว่างหลายระดับไปรงวางด้วยสมด้วยสติเช่นเราพุโทโธพุโทโธไป พอจิตสงบความคิดปรุงแต่งมันก็หยุดความว่างก็เกิดขึ้นมาตัวตนก็หายไปแต่พอเราออกจากสมาธิมาเราคิดปรุงแต่งตัวตนก็กลับมาใหม่แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราสอนใจว่าตัวตนเป็นเพียงสมมุติเป็นความคิดปรุงแต่งเราอย่าไปหลงไปยึดไปติดเราปล่อยวางความคิดนี้ได้มันก็เป็นว่างอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นว่างแบบถาวรกว่า แต่ว่างแบบทาวรว่างด้วยปัญญานี่มันจะดับทุกข์ได้แต่มันก็ต้องมีเหตุการณ์ไม่ใช่เพียงแต่ความคิดอย่างเดียวเช่นเราว่างเราพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราถึงเวลาที่จะต้องปล่อยเราก็ต้องปล่อยมันให้ได้เช่นมันจะตายเราก็ต้องปล่อยให้มันตายให้ได้ถ้าเรายังไม่ปล่อยก็ แ, แสดงว่ามันเรายังไม่ว่างร่างกายยังไม่ว่างยังเป็นตัวเราของเราอยู่ แั่นมันมีวิธีที่จะรู้ว่าเราปล่อยจริงหรือเราว่างจริงหรือไม่ว่างจริงถ้านั่งอยู่คนเดียวแล้วคิดไปนี่มันยังเป็นความคิดยังไม่เป็นความจริงมันต้องมีเหตุการณ์มาบังคับให้เราปล่อยให้เราอยู่กับความว่างจริงๆอยู่แบบไม่มีอะไรเอถึงจะว่างจริงหมดแล้วนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอาน